คนเรามีความต้องการนะหลายระดับหลายขั้นนะขั้นแรกเนี่ยที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยก็คือความอยู่รอดนะปลอดภัยไม่หิวโหวยนะกินอิ่มนอนอุ่นนะอันนี้มันเป็นความต้องการพื้นฐานคนเราพรามันทําใหนะ้อยู่รอดนะ พอกินอิ่มนอนอุ่นนะปลอดภัยไม่มีอันตรายคุกคามเราก็มีความต้องการอย่างอื่นนะเพิ่มขึ้นนะเช่นความสุขความสนุกสนานความบันเทิงรื่นเริงนะจะรวมไปถึงนะความร่ำรวยนะ มีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีเกติยศมีเสรีภาพอันนี้พอได้มันมาแล้วนะเราก็มีความต้องการอย่างอื่นขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งก็คือความสงบตอนที่ยังหิวโหวยนะยังยากจนความสงบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ เราปรารถนาเท่าไหร่ก็มีแต่จะต้องดิ้นรนนะเพื่อให้มีกินนะมีบ้านมีปัจจัยสีนะมีความปลอดภัยมีสวัสดิภาพมีชีวิตยืนยาวขึ้นนะพอมีแล้วก็อยากได้อย่างอื่นตามมาคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่มีการงานที่มั่นคงนะมีความร่ำรวยนะ มีความดับหน้าถือตาพวกนี้มาเมื่อเขาได้มาแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเขาพอนะหลายคนก็นึกถึงความสงบแล้วถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่ายังไม่ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนาทางด้านสถานภาพเช่นการงานที่มั่นคงก็อาจจะไม่ค่อยสนใจความสงบเท่าไหร่แต่พอได้ นะได้รับเรียกว่าความสําเร็จทางโลกนะตอนนี้นะก็จะเริ่มโหยหาความสงบอันนี้เกิดเพราะทําไมนะคนะจํานวนมากเนะี่ยโดยเฉพาะคนในเมืองตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนานะมันเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกะนะ ในประเทศที่ร่ำรวยเช่นอเมริกายุโรปนะพวกเนี้ยคนที่เขามีงานการที่มั่นคงก็นะประสบความสําเร็จชีวิตในระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงที่สุดนะแต่ว่าก็เรียกว่ามีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุพวกนี้จะพบว่ามันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่แท้นี่คือความสงบ หลายคนพบว่าการได้ความพังพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุนะมีชื่อเสียงกิติยศนะมีอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันต้องแลกต้องแลกกับความสงบก็คือว่าชีวิตก็ต้องวุ่นวายนะต้องดินน่นระ่นนะต้องแข่งขันเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลบางคนนอนไม่หลับนะอันนี้พอ พอได้นะความสำเร็จทางโลกในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าชีพมันยังขาดอยูนะ่ขาดสิ่งที่เรียกว่าความสงบฝรั่งทีนี้ก็มาสนใจเรื่องการทำสมาธิภาวนากันมากขึ้นที่จริงเป็นงนี้มา50กบกว่าปีแล้วแล้วก็ยังไม่ขาดสายนะบางคนก็เดินทางมาเมืองไทยบางคนก็เดินทางไปอินเดีย แนะสงหาความสงบอันนี้ความสงบที่คนแสงหาเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็คือความเงียบนะคำว่าเงียบกับสงบนี่มันมาด้วยกันจะสงบได้เนี่ยหลายคนคิดว่ามันต้องเงียบนะมันไม่ต้องต้องไม่มีเสียงออ ก, กทึกคืโครมนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเงียบแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตมันวุ่นวายก็คงไม่สงบเหมือนนะ ความวุ่นวายบางอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ส่งเสียงดังนะความวุ่นวายส่วนก็เกิดจากการมีกิจมีการงานเยอะนะหลายคนก็พบว่าเนี่ยถ้ามันมีการงานเยอะเนี่ยมีผู้คนมากมายมันก็วุ่นวายเหมือนกันถึงแม้จะไม่ส่งเสียงดังนะแต่ก็รู้สึกว่ายังหาความสงบไม่พบนะและความวุ่นงายความวุ่นวายเนี่ยนะ ในสายตาคนส่วนใหญ่คือว่าเป็นเพราะมีงานการเยอะมีภารกิจมากหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะมันก็เลยวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าอยากสงบเนี่ยนอกจากไป ท, ที่ที่มันเงียบแล้วมันต้องไม่วุ่นวายไม่มีภารกิจการงานอันนี้คือผลที่หลายคนเนี่ยพอถึงวันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าหยุดยาวก็ต้องออกไปต่างจังหวัดไปไปรีสอร์ทนะเพราะว่า มันเงียบแล้วก็มันไม่ค่อยมีผู้คนแล้วก็ไม่ต้องทำงานทำการมากก็ได้พักผ่อนหย่อนใจโดยเพราะถ้าอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติเดี๋ยวนี้ผู้คนก็นะเดินทางกันไปหาความสงบแบบนี้บางทีก็มาวัดนะในความสงบในความเข้าใจคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสถานที่จะต้อง ออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากที่ที่มีเสียงกระทึกไปที่ที่มันไม่มีเสียงกระทึกจากที่ที่มีความวุ่นวายไปสู่ที่ที่ไม่มีความวุ่นวายถึงจะพบความสงบแต่นี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดนะมันไม่แน่เสมอไปอัตมารู้จักอาจารย์คนหนึ่งนะสมัยที่ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือที่อเมริกาอันนี้ก็ประมาณสักสี่สิกว่าปีที่แล้วนะวันหนึ่งหมายเทลัยนะที่นักศึกษาคนนี้เรียนเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยทางหมายิทยไลัยได้นิ ม, มนต์พระธิเบตมารูปหนึ่งหมายเทลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการต้อนรับพระธิเบตนะ เพราะว่าฝรั่งนี่เขานักถือาศาสนาคริสต์นะแล้วเขาก็ไม่รู้ธรรมเนียมของเอเชียเขาก็เลยมาติดต่อ น, นักศึกษาไทยคนนี้ให้มาช่วยเป็นอุปถ า, ากนะต้อนรับสมัยนั้นพระธิเ น, เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะในอเมริกาพีกับสมัยนี้นะสมัยนี้หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาธิเบนเนี่หาได้ง่ายมากตาร้านหนังสือทั่วไปแม้กระทั่งในสนามบินเนี่ยก็จะ มีหนังสือเกี่ยวกับอาจารย์หรือลามะชาวทิเบตนะที่เด่นที่สุดก็เป็นทลายลามะนะเดี๋ยวนี้การหาพระทิเบตนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่สมัยก่อนเนี่ยมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงอก็ติดต่อนักษาไทยให้ไปช่วยเป็นอุปถากดูแลก็ดูแลยอย่างใกล้ชิดประมาณ3วันนะ พระทิเบรนี่มาแสดงธรรมแล้วก็มาสอนสมาธิการที่ได้ใกล้ชิดกับพระทิเบรเนี่สามวันเนี่ยนักษาไทยนี่ก็ประทับใจมากพระทิเบนะท่านนี้เป็นพระที่มีเมตตาอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันแต่ว่าสงบนะใครที่สัมผัสอยู่ใครที่อยู่ให้กลก็สัมผัสได้ถึงความสงบ ประทับใจมากนะนักศึษาไทยเนี่ยทั้งที่เป็นชาวคริสต์นะแต่ว่าประทับใจพระธิเบตท่านนี้วันสุดท้ายเนี่ยเมื่อพระฤทธิ์พระธิเบตเนี่ยท่านจะกลับประเทศอินเดียนักศึกษาไทยก็ก็เลยถามว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกกลับไปเมืองไทยจะขอโอกาสไปพักที่วัดของท่านที่อินเดียจะได้ไหม นะพอได้ฟังจากที่ท่านเล่าเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่ในสถานที่ที่สงบนะก็คงจะอยู่ ใ, ใกล้ๆภูเขานะอย่างธรมารมศาสลานี้ก็อยู่บนภูเขาเลยวัดที่เบตเนี่ยมักจะอยู่ใกล้ๆภูเขาหรืออยู่บนภูเขาเนี่ยมองไปไกลๆ ก, ก็เห็นเขาที่มีหิมะปกคลุมสวยงามนะนักศึกษาไทยเขาบอกเนี่ยขอจะไปพักที่นั่นนะที่วัดของพระทิเบต ศักระยะหนึ่งจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าได้สิแต่ก็ถามว่าท่านจะไปทำไมอ่ะนักษาไทยก็บอกว่าจะไปหาความสงบที่นั่นพระธิดาเกก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าท่านนะถ้าคุณเนี่ยกลับไปกรุงเทพกลับไปเมืองไทยแล้วไม่พบความสงบนะมาวัดอัตมาก็คงไม่พบเหมือนกันคำพูดสั้นๆที่ทำให้นักษาไทยเนี่ย นะช ง, งักแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีเอ๊ะถ้าเราไม่พบความสงบที่เมืองไทยมันจะไปพบจะไม่พบความสงบที่อินเดียด้วยหรือสุดท้ายนะพอนักษ า, าไทยเรียนจบนะั้นเป็นได้ปริญญาเอกกลับไปเมืองไทยก็ก็ไม่ได้ไปนะเยือนที่วัดของอลามะท่านนี้ก็คงจะพบว่าเอ๊ะที่เมืองไทยหรือกรุงเทพก็ สามารถจะหาความสงบได้เหมือนกันนักษาไทยเนี่ยนะอยากไปวัดของพระธิบตท่านนี้เพราะเห็นว่ามันเงียบสงบนะมันไม่มีความวุ่นวายพลุกพล่านจอแจนะแต่สิ่งที่พระธิดา เ, เนี่ยู้นี้ก็ทำให้นักษาไทยซึ่งต่อบา ก, ก็เป็นอาจารย์ตอนนี้ก็เสียน ล, ละคงได้คิดว่ามันความสงบที่จริงมาอยู่ที่ใจนะ มันมอยู่ที่สถานที่แต่คนก็ส่วนใหญ่เข้าใจยากนะเพราะว่าเวลาพูดถึงความสงบเนี่ยแม้จะรู้ว่าเป็นความสงบในจิตใจแต่ก็ไปคิดว่าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในที่ที่สงบไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ไม่มีคนพลุกพล่านและอีกอย่างนึงคือไม่มีงานการด้วยนะอันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่มาปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมจานวนมากก็คิดนะว่า ให้งานการเนี่ยนะมันก็ทาให้ใจไม่สงบนะหลายคนก็พยายามอา่ะทิ้งงานการที่กรุงเทพมาวัดพอมาวัดแล้วเห็นงานการนะก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจว่าทำไม อ, อุตส่าห์ทิ้งงานนะที่บ้านที่กรุงเทพแล้วจะต้องมาเจองานที่วัดบางคนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะไม่อยากจะรับผิดชอบกับงานการ เผล ก, ก็คือกลัวใจไม่สงบมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะซึ่งก็คงมีที่มาจากเรื่องจริงอ่ะนะมีชายหนุม่มคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> อันนี้เข้าใจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะชายหนุม่มคนหนึง่งฝ่ายธรรมมากอยากจะบรรลุธรรมก็อุตส่าห์ทิ้งบ้านนะ <c oughs> มาบวชปฏิบัติธรรมที่วัด แต่วกว่าพอมาที่วัดเนี่ยนะมันมีงานการให้ทำเยอะนะพระญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องทาหลายอย่างนะต้องผาฟืนต้มน้ำทำครัวนะทอาหารเราก็ต้องล้างจานนะก็เกิดความงุนงิขึ้นมาว่าเนี่ยอุตสาห์ที่งานการทิ้งครอบครัวมาวัดก็ยังหนีไม่พ้นนะงานการมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอุตส่าห์มาบวชเพื่อจะปฏิบัติธรรมแต่ว่ากลับไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะมีงานเยอะๆไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจนะปลีกตัวออกจากวัดนั้นนะไปอยู่คนเดียวในป่านะบนเขาคิดว่าเนี่ยไปอยู่ที่นั้นแล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรม นะเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาทำงานทำการเยอะแยะไปหมดแต่พอขึ้นไปอยู่บนเขานะก็มีปัญหาตามมาก็คือว่านะต้องลงจากเขานะมาบินธบาดเขาก็อยู่สูงหมู่บ้านก็อยู่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกว่าจะลงจากเขาแล้วบินธบาทขึ้นมาเสร็จนี่ก็มันก็ ก็เกือบเที่ยงแล้วไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเลยนั่อยาง ก, กันนั้นเลยนะเราลงเขาเนี่ยประมาณสักสามวันครั้งก็แล้วกันนะจะได้มีเวลาปฏิบัติทำแต่ขั้นทำอย่างที่ว่านั้นก็บอกว่ามันก็มีอย่างอื่นที่ต้องทําเช่นซ่อมกระท่อมนะต้องไปตักน้ําต้องไปผาฟืน แถมต้องยังต้องซ่อมรองเท้ารองเท้าสารเนี่ยนะเวลาลงเขาเนี่ยโอ้ลงเขาขึ้นเขาเนี่ยไม่ถึงเดือนนะแค่อาทิตย์สองาทิตย์เนี่ยมันก็เสียแล้วต้องซ่อมเสียเวลามากก็เกิดความไม่พอใจนะว่ามันเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยอุตส่าห์มาที่นี่ยังเสียเวลาทำเรื่องพวกนี้อนอกนากน้นมีปัญหาตามมาคือเนื่องจากนานๆสองสมวัน ไปบินทบาดอาหารที่ได้มาก็ก็น้อยนะที่จริงฉันวันเดียวก็หมดแล้วนะแต่ต้องฉันเนี่ยสามวันจะลงไปทีก็กลายเป็นว่าขาดอาหารนะขาดอาหารป่วยไม่สบายหมอในหมู่บ้านบอกว่าเนี่ยจะต้องกินนมนะช่วยฟื้นคืนให้สุขภาพความเป็นปกติเพราะนั้นก็ต้องลงเขาเนี่ยนะไป ไปข อ, อนนมจากชาวบ้านต้องลงเขาทุกวันนะลงเขาทุกวันเพื่อไปเอานมนะนมเนี่ยนะมันจะเอามาตุนไว้ก็ไม่ได้มันต้องชันวันต่อวันนะนะขึ้นลงคือลงเนี่ยนะก็ไม่ไหวแล้วนะเสียเวลานะทำไงดีอ่ะไม่มีรับปฏิบัติทําเลย เ, เราเลี้ยงแพ้ดีกว่า เลี้ยงแพะดีกว่านะไปขอแพะชาวบ้านมาหลายตัวเขาที้ไม่ต้องลงเขาแล้วนะก็ลีดนมแพะนี่แหละนะเป็นอาหารเสริมแต่ก็นี้พอมีแพะมาหลายตัวมันก็มีปัญหาใช่ไหมมันต้องเสียเวลาเสียเวลาไปตามหาแพะบางทีบางตัวก็หนีไปเสียเวลาไปทําคอกให้แพะเสียเวลาไปหาญ้าให้แพนะโดยเพราะในหน้าหนาวมันไม่ค่อยมีแพะมันไม่ค่อยมีหญ้า อันนี้มันประเทศญี่ปุ่นนช่ไหหน้าหนาวมันหิมะเนี่ยก็ต้องอมีหญ้ามีฟางเก็บเอาไว้โอ้ยเหนื่อยไม่มีรับปฏิบัติธรรมเลยทำยังไงอะ่ะงั้นไปหาคนมาช่วยเลี้ยงแพะดีกว่าหาคนมาช่วยเลี้ยงแพะก็คิดว่าทํไมไม่มีรับปฏิบททัติธรรมปรากฏว่ามันต้องบินทบาดเพิ่มขึ้นเพื่อเอาอาหารเนี่ยมาให้คนเลี้ยงแพะด้วยที่เคยบินทบาทสามวันครั้งเนี่ย ตอนนี้ต้องลงทุกวันแล้วเราก็ต้องไปไกลขึ้นเพราะว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กถ้าจะได้อาหารเลี้ยงคนสองคนนี่ก็ต้องอไปไกลหน่อยกว่าจะกลับขึ้นมาก็โอยเที่ยงแล้วบาทีบ่ายมีเราปฏิบัติ ท, ทาเดียวนะเพราะต้องทำอย่างอื่นด้วยนะซ่อมหลังคาตักน้ำผ่าฟืนมาคิดดูให้ทาไงนะเราจะไม่ต้อง หาข้าวมาให้คนเลี้ยงแพะก็เลยคิดว่างี้ดีกว่าหาเมียดีกว่านะหาเมียเมียได้มาช่วยเลี้ยงแพะไม่ต้องมีค่าจ้างสุดท้ายก็ไปหาไปเอาผู้หญิงจากเขาบ้านเนี่ยมาเป็นเมียคิดว่าจะทำให้มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมียจะช่วยดูแลแพะนะโดยที่ไม่ต้องหาอาหารมาให้นะพอมีเมียก็มีลูกเลยนะ แล้วก็มีงานการเพิ่มขึ้นมาก็กลายเป็นว่านะอุตส่าห์ทิ้งครอบครัวมานะเพื่อจะปฏิบัติธรรมแต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่ว่ามีครอบครัวทั้งหมดนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าพยายามที่จะหนีงานพยายามที่จะปฏิเสธงานอะไรที่ทำให้มีงานน้อยลงนะเนะช่เนไปจ้างคนไปหาคนมาเลี้ยงแพ้บ้างละ นะหรือว่าแต่งงานเพื่อได้มีคนมาเลี้ยงแพ้แทนเราทั้งหมดนี่เพื่อที่จะได้มีงานน้อยลงจะได้มีรับปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ปรากฏว่ายิ่งพยายามทำให้ยิ่งพยายามทางานให้น้อยลงยิ่งพยายามหาทางที่จะไม่ต้องทำงานนะแต่ว่ามันกลับมีงานเพิ่มขึ้นตามมาเนี่ยคนที่เห็นว่างานเนี่ยนะมันเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติธรรมเนี่ย ระวังนะมันจะมาลงเอยแบบนี้นะอุตส่าห์ทิ้งงานอุตส่าห์ปฏิเสธงานอุตส่าห์พยายามหาอะไรก็ตามมาช่วยทำให้เราทำงานน้อยลงปพราบว่างานอันนี้น้อยลงแต่ว่างานอันอื่นเพิ่มมากขึ้นนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่านะอุตส่าห์ปลีกตัวหลีกเล่นมาอยู่ป่านะแต่ว่าก็ยังมีงานเยอะสมัยนี้เนี่ยมันมีเครื่องทุ่นแรงนะที่ช่วยทำให้เรา ทำงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างน้อยลงนะแต่สังเกตไหคนสมัยนี้เครื่องทุนแรงเนี่ยเครื่องทุนแรงเครื่องทุนเวลาเนี่ยทั้งทงนี้มีเยอะนะแต่คนทุกวันเนี่ยกลับหาเวลาว่างไม่ค่อยได้ไอการที่เราคิดว่ามีเครื่องทุนแรงแล้วเราจะสบายแต่จริงไม่สบายเราอาจจะเสียเวลาในการเดินทางน้อยลงเพราะมีรถเสียเวลาในการหุงข้าว น้อยลงเพราะมีเครื่องหุงเพื่อไม่มีเครื่องหรือหม้อหุงข้าวแต่ปรากฏว่าเราต้องเสียเวลาในการหาเงิ น, นเพื่อที่จะมีรถนะต้องเสียเวลาหาเงินเพื่อที่จ ะ, ะมีเครื่องทุนแรงทุนเวลาแทนที่เราจะมีเวลาน้อยลงและคิดว่าเราจะทําอย่างอื่นเช่นปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนนปรากฏว่าเอาเข้าจริงอ่ะไม่มีเวลาหรอก ต้องเสียเวลาหาเงินนะเพื่อที่จะได้มีเครื่องทุนแรงทุนเวลาแต่ประเด็นที่ใหญ่พูดคือว่าเนี่ยคนเรานะถ้าว่าเราต้องการพยายามหนีงานพยายามปฏิเสธงานพยายามไปที่ที่มันมีงานน้อยลงนะสุดท้ายก็อาจจะหนีงานไม่พ้นจะเป็นการดีกว่านะถ้าหากเราเราคิดว่าเออไอการทางานนี่มันก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งไม่ต้องไปห น, นีมาหรอกนะ การทำงานถ้าเราเห็นว่าการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเราก็สามารถพบความสงบได้นะเดี๋ยวไม่คิดว่าชีวิตมันจะสงบได้ใจมันจะสงบได้เพราะไม่มีงานนะเราลองคิดว่าเออเราทำงานและเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยมันก็สงบได้นะถึงแม้ตัวทำงานแต่ใจสงบสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยนะท่านเป็นพระหนุ่มนะ พราวว่าตอนที่ท่านบวชได้พรรษาเก้าเนี่ยโอ้ท่านมีความมุ่งมั่นในการทําความเพียรมากเพื่อที่จะบรรลุธรรมนะคราวนึงท่านก็ไปตอนที่ท่านได้เก้าพรรษาท่านก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินดารีหลวงปู่กินดารีนี่สมัยเป็นหนุ่มนี่ท่านเรียกว่าทุดงนะอย่างเข้มข้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมจริงจังมากนะเข้าป่าทําความเพียร ท่านก็เป็นสิทธ์หลวงปู่มั่นนะแต่ว่าท่านเป็นมหานิกายพอท่านอายุมากท่านก็ม า, อ, าอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะที่นครพนมหลวงพ่อชาตอนนี้เป็นพระหนุ่มนะก็ไปปฏิบัติการถ้ำตอนที่อยู่กับหลวงปู่กินนรีก็ทําความเพียรมากนะโดยเพราะการเดินจงกรมนะเดินจงกรมนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยจนทางนี่เป็นร่องเลยนะพอเหนื่อยก็นั่งนะทำสมาธิ แต่ก็มีเรื่องนี้ที่ท่านไม่ท่านไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะสงสัยหรืออาจจะหงุดหงิดก็ได้คือท่าที่ท่านทําความเพียรอย่างเยอะแยะเนี่ยนะหลวง ป, ปู่กินนรีนี่ท่านไม่ค่อยได้ทาความเพียรในลักษณะจะเป็นเดินจงกรมเท่าไหร่ทั้งวันท่านก็มีงานโน่นงานนี่ทํามีงานจิต ป, ปาถะบางทีก็เย็บจีวรบางทีก็ซ่อมกุฏินะ วรูราชาตอนนั้นเป็นพัดหนุ่มเนี่ยท่านก็สงสัยว่้หครูบาอาจารย์นี่ทั้งวันไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยไอ้เ้อนี่ทำความเพียรทั้งวันยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านจะรู้อะไรนะท่านก็มีความสงสัยแล้วก็อาจจะปรามาณนะครูบาอาจารย์อยู่ในทีแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่กินเดีเนี่ยนะอย่างใกล้ชิดเนี่ย ทานก็รว่าหลวงปู่กินีเลยเนี่ยท่านมีความเข้าใจนะในธรรมมากลึกซึ้งมากทั้งๆ ท, ท, ที่ดูเหมือนว่าท่านไม่ค่อยได้ได้ทำความเพียรในรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าหลวงหลวงพ่อชาตท่านก็ยังคิดหรือนะว่าเนี่ยท่านก็ต้องทําความเพียรให้มากๆนะัท่านก็พยายามเนี่ยนะงานการอะไรที่ไม่จําเป็นท่านก็ไม่ทำนะจะได้มีเวลาปฏิบัติทําเยอะๆ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีงานให้ต้องทำนะเช่นจีวรเนี่ยจีวรเนี่ยมันรุ่ยจีวรมันขาดนะท่านก็ต้องเลิกจงกลมนะเลิกปฏิบัติมาเย็บจีวรต้องมาปะชุนจีวรท่านก็สึกขัดใจนะเพราะเสียเวลาเสเวลาปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ปะชุนจีวรท่านก็ทําแบบเร็วๆนะหลวงปู่คือนีสังเกตเห็นก็เลยพูดขึ้นว่าท่านชาท่านจะเรียบรอ้อนไปทําไมเล่า หลวงพ่อชา้างบอกว่าผมอยากจะเย็บจีวรให้เสร็จเร็วๆครับเย็บจีวรเสร็จนี่เพื่ออะไรหลวงพ่อชาตอบ่าก็เพื่อจะทําอันนั้นครับทําอันนั้นเสร็จแล้วจะทำจะจ ะ, จะทำอะไรต่อก็ทําอันโน้นครับทํานั่นทนํานี่ทำโ น, น้นให้เสร็จไวๆเพื่อได้ไปปฏิบัติธรรมครับหลวงปู่กินเดี๋ย่าก็เลยพูดว่าท่านเย็บจีวรเนี่ยนะ ท่านเย็บผ้าเนี่ยท่านก็ภาวานาได้นะท่านก็ดูจิตของท่านไปสินะแล้วก็แก้ไขให้มันเป็นปกติจะรีบร้อนไปทําไมเล่านะทำอย่างนี้เสียหายหมดนะความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัวแล้วยังไม่รู้เรื่องของตนอีกหรือคําพูดนี้ทําให้หลวงพ่อชาท่านได้คิดเลย น, นะโอ้เออนะเย็บจีนี่มันก็ภาวานาได้นะ แต่ก่อนท่านกลับมองว่าเนี่ยท่านมองว่าไอ้การเย็บจีวรเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมต่อการภาวนาทําให้เสียเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทําเร็วๆนะแต่ที่จริงเนี่ยเย็บจีวรปะชุนผ้าเนี่ยมันก็ภาวนาได้ไม่ต้องรีบขณะที่ทําใจก็สงบได้นะความอยากมันท่วมหัวเนี่ยอยากอะไรอยากให้เสร็จไวๆแต่กลับมองไม่เห็น ไม่มีสตินะรู้ความอยากนั้นเพออราะละเพราะตอนนั้นใจนมันไปอยู่กับอนาคต ล, ละ่ะก็คือจะรีบให้เสร็จใบไว อ, อ้หลวงปู่กินยูท่านทำให้หลวงพ่อช้าได้คิดแล้วว่าโอ้ทำงานไม่ว่าอะไรก็เป็นภาวนาได้เพราะระหว่างที่ทำเราก็ดูใจของเราไปนะอันนี้ที่จริงเนี่ยพูเจ้าก็ก็ได้สอนนะว่าไม่ว่าทำอะไรเนี่ย เราก็ภาวนาได้เป็นภาวนาที่เรียกว่าไกยนุปัสสนาชนิดหนึ่งนะก็คือการทําความรู้นะววสึกตัวนะครูยอดตราให้ทําความรู้สึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้านะถอยไปข้างหลังเวลามองเวลาเหลียวนะเวลาคูกขาเหยียดขาก็ให้รู้สึกตัวเวลาครองผ้าสะพายบาตนะหรือว่าทรง สังขาติก็ให้รู้สึกตัวอันนี้สวมผ้าถ้าเป็นคาราวาก็ใส่เสื้อผ้านะห่มผ้าก็ให้รู้สึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มก็ให้รู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวเวลาอุจลปัสสาวะนะอุจลปัสสาวะนี่ขณะที่ทําเนี่ยอย่าไปคิดว่าเสียเวลานะมันก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งได้ถ้าเราทําความรู้สึกตัวบางคนจะไปคิดว่าโอยแม้แต่การไปอุจลปัสสาวะนี่ก็ไม่อยากไปเลยเสียเวลาปฏิบัติเนะนี่ยเข้าใจผิดแล้ว มันเป็นการปฏิบัตินะทั้งทำหน้าที่ต่อร่างกายแล้วก็เป็นการทำความรู้สึกตัวให้กับจิตใจด้วยเนะเวลายืนเดินนั่งนะหลับตาเวลาพูดเวลานิ่งนะก็ทำทำความรู้สึกตัวได้นะทำงานล้างจานนะทำครัวก็ภาวนาได้นะระหว่างที่ทำ ตอนที่หั่นผักนะเราก็มีสติไปด้วยทําความสึกตัวไปด้วยอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะอันนี้เป็นสูตรที่ทําได้กับทุกเรื่องนะทำได้กับทุกงานทําได้กับทุกอย่างที่เราเจอเจอนะเพราะวาเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกายอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่นั่งคิดเอานั้ำก็ต้องใช้กาย เมื่อใช้กายเนี่ยมันเคลื่อนไหวก็เห็นมันนะก็คือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวระหว่างที่ทําบางทีใจลอยอ้าวก็รู้ใจคิดนึกนะบางทีใจมันไปหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานอ้าวก็รู้เวลาใจมันคิดว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จอารู้ทันดึงกลับมาเวลาเจอเสียงดังมากระทบหูอ้าวใจกระเพื่อมอ้าวเห็นพอเห็นเท่า น, นี้ใจมันก็เป็นปกติ ไอ้ความสงบมันเกิดขึ้นได้กับใจเรานะแม้ในขณะที่ทำงานใครเขาจะวุ่นวายเขาจะเร่งรีบยังไงนะแต่ว่าใจเราสงบใขณะที่เราทำนะแม้ว่ากายเราจะเคลื่อนไหวแต่ใจสงบนะาต้องทำให้ได้นะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเพราะเดินจงกรมยกมือหรือว่าทำนั่นทำนี้ก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักวิธีภาวนา ขณะที่ทํางานเนี่ยไอ้ความสงบก็เกิดขึ้นกับเราได้แม้อยู่บ้านแม้อยู่ในเมืองนะไม่ต้องไปรีสอร์ทไม่ต้องไปวัดนะไปในที่ที่มันไม่มีเสียอกระทึกไปในที่ที่ไม่มีงานให้รับผิดชอบนะอันนั้นไม่ใช่ต้องทําให้ได้นะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่าอาจารย์พุทธทาสว่าดอย่างที่หลวงปู่คินเนรีบอกหลวงพ่อเช้าเนี่ยเย็บผ้าเนี่ยนะ มันก็ภาวนาได้นะก็ดูใจขังตัวไปสินะแล้วก็แก้ไขมันเป็นปกตินะเราไปเย็บผ้าแต่ว่าใจลอยก็ไม่ใช่ไปเย็บผ้าแต่ใจวุ่นว้าวุ่นเพราะย่ายเสร็จเร็วก็ไม่ถูกนะใจเป็นปกติได้นะเมื่อมีสติ อ, า, อางนี้ก็พูทเท่านี้นะอ้ากราบพระ